และธรรมเทศนาลำดับที่23โดยหลวงพ่ออิทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมแก่คณะผู้สูงอายุตำบลโคกสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและตอนนี้ไปหลวงพ่อจิตนำ่มสมาทานศีล น, นะพวกคณะท่าน ญ, ญาติโยมไปนัสถานตีต่างๆ เวลาอารัธนาศีลมายังพันเตแล้วครูบาอาจารย์ที่เป็นประท่านสงฆ์พ่์ก็จะให้ศีนเนี่ยพณ์กว่าผ้านําน้นโม่แต่โดวงพอเนี่ยจะได้นำเรื่องศีนซะก่อนว่าศีนหาเนี่มีอย่างแม่แต่ตามไม่จริงพวกคณะท่าญยาตย้อมผูกเขยบวชเลียนเขียนอ่านก็สศีนหาก็ไม่หาเพอะอย่ยไปคาสั์ อย่าขโมยของผู้อื่นอย่าอย่าเป็นหักของผู้อื่นขโมยของผู้อื่นอย่าไปประพฤติผิดล่วงเกินสามีภรรยาของผู้อื่นอย่าไปขี่ตัวอย่าไปกินเหล่าก็หาขอจําได้แล้วแต่ว่าตามไอ้จริงจําได้ก็จริงอยู่แต่ว่าบมีผู้ใดบรนร่ายยว่าศีลหาเลยมีคุณค่ามีประโยชน์จังใดหูจักแต่วหาขอหามเชื่อๆแต่ว่าคุณประโยชน์เรือว่า คุณค่าดอสมควรจังใดจะรักษาศินเนี่ะก็ยังบดมีกูบาจารย์อธิบายให้ฟังบางคนก็ูบาจารย์โอ้สินหาเขาของหุจักแ ล, ล, ล, ล้วล่ะที่บอกยังลำรีลำไส้แต่หลวงพ่อเนี่ยบอเป็นนักจันทราะว่าเห็นว่าออกตนญาติโยมบางกู่บางคน บ, บวได้บวชได้ศึกษาลักถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งและโดยเฉพาะยังหยิยงพวกลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ที่หลัง พอเกิดคือมาพ่อแม่แต่ทรงไปเฮียนหนังสือจากนั้นก็เฮียนปถมมัธยมอ่าปริญาตรีโทเอกก็ไปเรื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานบางคนไปเฮียนในศาสนาอื่นลงเลี้ยนศาสนาอื่นลงเลี้ยนศาสนาคริสต์เช่นเมลูเช่นเมลีเช่นปอนไงก็เยิเ่ยงบริสุทธใจเรียกบริรูรับของพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นลูกเช่าโพเท่าแต่พอไปเลี้ยงกันจันทร์ก็เลยห่างเหินไป ก็เลยบรูบรูยักคุณค่าของพุทธศาสนา เ, เห็นคนมาวัดมาว่ามาหอดเลยก็มายังพันเตติสลาเนจนะจหปัญจสีลาเนยาจามะนะก็รับสินพอรับศินแล้วสินจักแปลว่าจยางไรกับโมูหเป็นบาบาลีทั้งหมดก็ได้ถือวสิน่เป็นของเป็นของคนเถาคนแกเป็นขนค้นของที่ขนที่ปศละวางแล้วบ ร, ริเหตการเหตุงานแหละไม่แต่ผู้เถาผู้แกเตือือเตสะ เขาวัดเขาว่าเท่า น, นั้นอ่ะสงคุ้นใจรักษาศิลป์ไอ้พวกหน่อยพวกหนุ่มจังเข้าเนี่เข้าใจรักษาศิลป์ในจังไหนที่ไมีอยู่มีกินอย่างไหนรักษาศิลป์ฮะคนหน่อยคนห น, นุ่มเขาวาวสั่นได้เพระเห็ุใดเพราะเขาบอลูนโบหู้เขาโบหูในเรื่องของศิลปะเพราะนันะ่นหลวงพ่อยังในอธิบายเรื่องศิลให้แกจต่างญาติโยมลูกหลานให้ได้ยินได้ฟังอให้เป็นขอ้ขอแนวความคิด ให้ลูกจักเอาไว้ถึงจะรักษาเรืองบรักษาก็สุดแทแต่เมื่อหู้แล้วนะหลวงพ่อจึงจะอธิบายว่าศีลหาของพระพุทธเจ้ามีคุณค่านะ่ามีประโยชน์ต่อเฮ้าทั้งหลายนะ่าอันดับแรกหลวงพ่อจีพ่อจีพ่อจี พ, จพานํานามโมกร น, นามโมตัศสะปะกาวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเพียงนามโมพวกเฮ้าบางคนก็นแปลบได้ว่าเป็นเพิ่อนหวายักษกระบอกหูนามโมนะ คือนโมตัตตะปะขาวตูอระหันตสัมมาสัมพุทธัสสนข้าพระเจ้าขอนอบนอมแด่พระผู้มีพระภาคาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่นคือนอบนอมพระพุทธเจ้าต้นาศาสนาต้นพระพุทธศาสนาเป็นพุ่ต้นผู้ให้ปัจจิตประสาทศีลหาให้พวกเขารักษาคือพระพุทธเจ้าเมื่อเพลินประสิธตประสาทออกมาแล้วพวกเขากเบิงแล้วฟั่งแล้ว สินหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเออมีคุณค่ามีประโยชน์จริงที่พระพุทธเจ้าเทิดเพิ่นประกาศเพิ่นบอกกล่าวเพิ่นแนะนํามาเนี่มีประโยชน์เนีพอเข้าจึงก่อนจะรับสินเนี่ยเข้าจึงหนอบหนอบพระพุทธเจ้าก่อนหนอบหนอบตนความคิดหนอบน่อมต้นศาสดา อ, อ่านอบหนอบ่นอมตนพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้านะโมตัสสะจากนั้นก็พุทธทั้งธรรมมั่งสังขงสรนั่งคัดฉามิ ข้าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นศรณะเป็นที่พึ่งเป็นอย่างเท่าจริงยึดพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็ยังที่หลวงพ่ออธิบายบ้างเป็นผู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้ได้ตัดสรุปพระธรรมจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ประกาศพระธรรมพระธรรมคือขั้สอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแปดหมืสีพันพระธรรมอาคารคือพระธรรมคําสอนออกมาคือสินหาเนี่ยคือคําสอนพระพุทธเจ้า สินสมาธิปัญญาคือคำสอนพระพุทธเจ้าคำถ้ำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีมาก8ปดหมสีพันพระธรรมขันธ์มากไม้อันนี้คือพระธรรมเข้าคนเคารพพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สังฆ์ชรานั่งคัจจามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึงพระสงฆ์ก็คือสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเคารพ นับถือเหลื่อมใสซัท่ธธาเชือ่อได้พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ออกบวชแปฏิบัติตามจากนั้นเพิ่นก็รู้แจ้งเห็นจริงก็นั่มพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้พวกเข้าอีกทีนึงต่ออีกอันนึ่งคือพระสงฆ์สาวกเพราะนั้นเท่าจึงยึดว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นผู้มีบุญคุณเป็นผู้มีอุปกราระคุณเป็นผู้มีบุญคุณย่างยิ่ง เพราะนั้นพู้เข้าจึิงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นสรณะเป็นที่พึ like ่งอะอันนี look. ้ก็คือพุทธทังธรรมมั่งสังข่างดติยัมปียืนยันเป็นขั้งที่สองจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นสระเป็นที่พึ่งตาทิยัมปีพุทธทังธรรมมั่งข้าพเจ้าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นขั้งที่สามเป็นสระเป็นที่พึ่งจากนั้นก็หลวงพ่อจะเป็นผู้ผาน้ำสมาธิท่านศิลบาน ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทั้งสมาทิยามิขาไปเจ้าจงอดเว้นในการขาเพราะว่าการข่าเนี่ยคำว่าข่านี่ยข่านเห่าขาผู้อื่นเน่ยมันก็บ่มีความรู้สึกอย่างเพราะเห่าขาเขาแต่เมื่อเขามากคิดว่าจากมากขาเห่านี่ยขาพ่อขาแม่ขาพี่ขาน้องขาตัวของเห่าเนี่ยเห่ามีความรู้สึกจังใดเห่ามีความทุกข์ใจมากพราะเขาทีมากขาเห่า แล้วเขามีท่อทุกมากเมื่อเขามาข่าพีข่าน่องข่าลูกข่าหลานของเฮาเพราะนั้นเมื่อเฮาไปข่าผู้อื่นเขาเขาก็เสียใจขึ้กันกับเฮาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินขอที่หนึ่งว่าพวกเฮาทั้งหลายจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขยากคิดข่ากันเนะ้ออันนี้คือศินขอที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีให้งดเว้นในการขา่าเพราะว่าข่าเขาเขาก็เสียใจเขามาข่าเฮาเฮาก็เสียใจขึ้กัน อย่าไปคิดขากันเน้ออันนี้คือสินคอที่หนึ่งคอที่สองอาทิหน้าท่าหน้าเวรมะนีเข้าไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเข้าเขาก็เสียใจเขามาขโมยคำนี่มันใหญ่ขึ้นไปหนาเลยเนี่ยขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาไปเรียกคาไทยจริงจิตเขามาเรียกพ่อแม่ของเข้าไปเรียกคาไทยจริงจิตลูกหลานของเขาไปเรียกคาไทยจรงจิตเข้าเสียใจบอ เท่าก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเปินวาเห็นแล้วว่าการอยู่ด้วยกันนี่ขันบอเข้ารบสิทธิ์กันนี่แต่มีแต่ขโมยมโผยโจรทุกแหง่งทุกคหนนี่หาความสงบสุขได้เลเพราะนั้นทุกก้นต้องเป็นผู้มิศินเพิญวะอธินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะ ง, งดเว้นในในการขโมยของผู้อืน่น อันนี้คือสินคอที่สองคอที่สามเนี่ยกาเมซุมิจฉาจาร์ราเวรมานีสิขาประทังสมาธิยะมิข่าไปเจ้าจะงดเว้นในการละเมิดละลาบละหลวงสามีภรรยาผู้อืนินข่าไปเจ้าจะเข้าลบซิท์ทุกคนเพราะต่างคนก็นต่างมี่พ่อแม่พี่น้องหลูกหลานของแต่ละคนพวกนั้นต้องเข้ารบซิท์จึงกันและกันเพราะต่างคนต่างมี่ ถาว่าพวกเข้าบอคอลบกันเออบอคอรพย้ำเกงกันเ อ, อ่อลาลาบลาลวงบอคอลบปธิปไตยกันพวกเข้าจะหาความสงบสุขบอ่อใดนี่แหละอันนี้คือศีลข้อที่สามข้อที่สี่มุสาว่าท่าเวรมาีิอย่าไปโกหกต่มตุนหลอกลวงขี่ตัวผู้อนะื่นเนอโกหกผู้อนะื่นเนอะขี่ตัวผู้ อ, อื่นโกหกผู้อนะื่นว่าเป็นผลดีเพราะโกหกคุมะคู่มือนี่มีมาก มีมากมาก้หลายหลายอย่างเอาการโกหกนี่ยต้มตุนหลอกลวงเนี่ยคองดีเอาคลองปลอมไม่ว่าคลองดีสิ่งนี้แล้วเขียนเสซ็ตบอกมีเงินว่ามีเงินให้เขาสิ่งนี้ขีตัวทั้งหมดประเภทขีตัวทั้งหมดเอีเอาเล็กไหลเอาก้อนหินไว้ไปว่าเล็กไหลสิ่งนีมันโกหกทั้งหมดต้มตุนหลอกลวงทั้งหมดคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้ จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีพระพุทธเจ้าเพลนวาจังสัตย์เพล น, นขอให้พวกเข้าทุกคนนะอันนี้ก็คือศินขอที่ซีขอที่หาเนี่ยสุราเมรยะบัญชาประมาเยการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้โดวเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อทั้งหลายหลวงพ่อเนี่ยขอบิณฑบาตนะถ้าเป็นไปได้งดเหล้างดดื่มสุราเนี่ยตีที่สดุด เพราะเหตุไรพอดื่มสุราเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วเนี่ยมันขาดจิติบ่เป็นตะพูดก็พูดว่าเป็นตะบอกก็บอกว่าเป็นแต่จมก็จมพราะคนขาดจิติเพ้อเผลอเขาไปแล้วทําในสิ่งที่บุคคลทําพราะขาดจติคาครูคาค้นกระไรคาพี่คาหน่องคาลูกคาหลานคาอะไรทั้งหมดพราไหนพราะขาดจติขโม้ยของไผ่ก็ไรเพราขาดสติ ลาลาบลา ล, าลวงสามีภรรยาลูกหลานไัยก็ะได้พราขาดสติขี่ตัวไพรก็ะไดเพราขาดสตินี่แหละสุราขันช่ายาฟินเฮโร อ, อินมันประเภทเดียวกันทั้งหมดเพราะนั่นศินของพระพุทธเจ้าสินขอที่หาเนี่ยก็เป็นสินอันตรายขอหนึ่งขึ้นกันพอวักข้นขาดสติทำความชั่วทุกอย่างเพราะนั่นขอให้คณะทัทไายญาติโยมทุกๆกท่า น, น้ะผู้สูงอายุทั้งหลาย เมื่อฟังแล้วก็ให้นําไปคิดไปพิจารณาการกองไตรตรองดูว่าสิลของพระพุทธเจ้าที่บรญยัติไปแล้วเนี่ยเป็นสินคุ้มคลองโลกเป็นสิลที่ทําให้โลกร่มเย็นเป็นซุก ข, ขันว่าคนในโลกหนี่งประเทศชาติของเราขาดชิ้นมากๆไปใส่มิติคิดจะขากันไปใสมิตรขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองมิตรใส่พวกขลูกหลานของผู้อื่นสามีภรรยาผู้อื่นไปใสเห็นตะขนขี่ตัว ไปใส่เห็นตะกนกินเหล่าเมาเซ่ใส่สเซกวะพวกเฮาคิดเบื้องให้ดีก็แล้วกันว่าประเทศชาติบ้านเมื่อเฮาจะหาความสุขใดบ่อดนอาพรรณนาว่าพวกเฮามีสินหาทุกขูทุกคนนะสมบูรณ์บริบูบรณ์ไปใสก่สะดวกสบายไปเนื้อเชื่อใจกันเพราะเหตุใดเพราะเป็นคนมีสินทวนหนาหเลยยาง้อยกับเป็นสินส่วนมากนะอถึงผู้ใดจะรักษาศินบุได เออผู้ขานเนี่ยอย่นีหลวงพ่ออินเบาแล้วเออแมนความหลวงพ่ออินเบลอีออ๋ตั้งแต่บัดรนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าผู้ขาจะรักษาศีลหาล่ะ อ, อตั้งแต่บัดรนี่เป็นตนไปนะนับหนึ่งจากเฮ้าพูนึงก่อนต่อไปกันพูนึงกันพูนั้นเฮ้าพูนึงพูนั่นกันพูนึงพูนั่นกับพูนึงหนึ่งบอกหนึ่ ง, ง, ง, ง เ, ออเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สีบวกสี่เป็นแปดมันกระจาหลายคนไปเลยขานาว่าโอ้รักษาบ่าได้หรอก ให้ผู้อื่นรักษาซะไนะภัยน่าจะเป็นผู้รักษาว่านะตัวเองทําบ่มีศีลเถินั่นแหละ บ, บ่เป็นผลดีต่อการต่อชุมชนโดยเฉพาะยังยิ่งผู้เฒ่าผู้แกเนะี่ยเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับของลูกของหลานอยุดในการกินเหล่าผู้เฒ่ากินเหล่าบอดีได้ย่ามสงกอกสงการขึ้นกันย่ามปีไม้ขึ้นกันลูกหลานที่มามุดนามดาหัวมากกาบมากไหวพูน่ะ พอไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไปหาฝนเตีงเตียงตั้งย่างตึงจักตักจักอยู่คนหนึ่งนํานำหมากย่อยปากย่อยแก้มอยู่คนหนึ่ะมันเปินเนื้บอดีเลยพอห่อเป็นผู้เฒ่าแล้วต้องใช่ชุดเสื้อผ้าสะอาดนั่งเรียบร้อยตอนรับลูกรับล้านเขาม้าเขามากะม้าคารวะจังชันมันจงคอยนาดูสําหรับผู้เฒ่าโมเมนต์ที่ไปหา้ฝนตามบัฒนธรรม้ำคว่าตียงเตยงตั้งอย่างมันบ็เป็นตะเบิงได้ผู้เฒ่าฝน มันแมนอยู่มวนมวลําเฒ่าไปคุณท่านอ่ะแต่วันเรียบร้อยจะดีกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีกว่าเพราะนั hmm. ่นขอฝากไว้ครับคณะจัดท่ายาดย่อมทุกู์ทุกข์คนเนอะทางนี้ทา้งนั้นก็ว่าให้คิดวันไปว่าให้คิดเอ ค, ดคิดแล้วก็ว่ามันถูกต้องแล้วก็นามาปฏิบัตินําเมื่อปฏิบัติแล้วพวกเขาจะได้รับแต่ความร่มเย็นเป็นสุขหลูกหล้านกับขืนมา ก, ก่าบมากวายกับด้วยความสนิดใจ ด้วยความรักเข้ารบ พ, พยยยยบอไงแม่ไงบกินเหล่าเมา้ายากันพอไงไม่ไ่ติดเหล่าง้องแงมไปแล้วมันกูปลูกหลานของเขามากเขาเขาบอกอยากมากไก่ทีเขาอยากอายเขาบอกล่าวบอกกล่าวว่าเขาอยากอายคนนั้นพอพ่านผัวเข้าเป็นผู้เฒ่าผู้แกให้เบิ่งจบของเนาะเอยากจะให้ลูกดีต้องทำดีให้ลูกดูอยากจะให้หลานดี ก็ต้องทําดีให้หลานดูอย่างหลวงพอนะ่อยากจะให้ลูกซิดดีลูกหลวงพ่อก็ตั้งท้ำดีต้องทําดีให้ลูกซิดดูบอ๊อบแมนที่ให้ตัวเองเฮ็ดสารซัวสารเลวกินเหล่าเมายาตบให้โล่เลนโบกเลนไพ่จนบ๊มี่ไอ้ยังที่จะดีแล้วจะให้สร้างสอนโฉเป็นคนดีนะยสัตว์มันดีได้จังไหนพราะตัวเอง เหตุไปในทางที่บ้นบดีพรานั้นขอให้พวกเข้าทุกคน้ะผู้เฒ่าผู้แกตั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อวอให้ฟังะะ่งอะไรพวกเข้าเป็นแนวศึกษาเป็นแนวความคิดนะเาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้นำสมาท่านศีลเนบัตนี้นะนะโมตัสสะภควะโตอะราหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานิปัญจสิก้าปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปาทาสีเลนะนิภุติงยันติตัสชมาสีลังวิโสทาย เอาต่อนนี้ไปเดี๋ยวพอจีวรยังให้ฟังสักหน่อยยังคอยยังคอยขื้นผู้ก่อนเนะเออเมื่อนี้คณะสัทา ย, ยาดยมเอ่อตำบลโคกสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีผู้สูงอายุเอ่อรวบร่วมในขนาดดีกันนะวักเก่งมากเออแต่เขามาสู่วัดว่ า, าศาสนาเป็นการทัศนศึกษาตามวัดต่างๆ ออกจากวัดหลวงพ่อก็อคงจะขึ้นไปวัดผู้ก่อนไปไหว้พระวัดผู้ก่อนไปพายไหว้พระจีดีผู้ก่อนอก่อนที่จะไปนู่นก็มาแวะวัดหลวงพอ่อหัวนาเพิดผ้นาน้ำผัวานาเพินเพื่อเคยมาอยู่อำเภอ น, นายงวงของเฮ้าวัดที่เปิดผ้ามาผ้าคณะจัตวาญาติโยมมากพวกญาติโยมก็คงจะบ่เคยเห็นวัดหลวงพ่อโอ้วัดป่าวัดหลวงเป็นหนึ่งสี่กับมียได้เนาะนะออยู่เงียบสงบะ นี่แหะอันนี้พวกเข้าได้มาทัศนะศึกษาหลายๆหมอกหลายๆทีสําหรับผู้สูงอายุมากกันเลยหลวงพ่อก็ได้เบ่าเรื่องศีลหาให้ฟังพวกศรัทธาญาติโยมก็คงจะบอกเคยได้ยินคิกันนี่จีมีพระจีบ่าวเรื่องศีลหาให้ฟังละเอียดละ อ, อจังสิแต่บ้า น, นีหลวงพว่อจีบ่าแนวทางปฏิบัติให้ฟังอีกจากน้อยพวกเข้าเกิดมาได้พบ ไมาอยู่ในเมืองไทยเกิดมาในเมืองไทยได้พบพระพุทธศาสนามีพระมหากษัตริย์เป็นพุทธมาม ก, กะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พวกเขานับว่าเป็นผู้โชคดีแต่มาเกิดในผืนแผ่นดินไทยถึงอย่างไรก็มีนาใจต่อกันถึงจะทกย์หุกทุกทุกหยุกทุกยากลำบากจังไรก็มีนําใจต่อกันนี่แหละ บัตนี่พวกเข้าได้มาอยู่ได้เกิดมาอายุถึงปูนนี่แหละที่หลวงพอมองมองเวิงกระโดดมากก็จะคาชิบขึ้นไปผู้สูงอายุถึงเจ็ดสิบแปดสิบกติมีนั่งอยู่เนี่ยพอหลวงพอกว่าหกสิบเจ็ดปีแล้วได้เอหลวงพอก็เถาไปแห้งขึ้นกันเอนี่แหละหลวงพอกับในฐานะผู้เถาขึ้นกันพวกเข้าคณะสัตว์ทาเนี่ยงงกับผู้สูงอายุอืม ขอให้พววเห้าตัง อ, อกตังใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปการเสาะแสวงหาทรัพย์การดำล่งชีพของเ้าก็พ่อปนีล่ะเกิดมาพบนิชาตนี้ mm hmm. เคงจะบวรำบวโวยกว่านี้แต่บัด น, นี้แห้พวกเข้าอายุถึงขนาดนี้ละให้ขอให้พวกเข้ายเจ้าอยู่ในเข่าสูสิงสูถ้ำบัดนี้หาหนทางเขาของเจ้าของ ขนทางต่อไปพ้าิภาคหนามันต้องมีได้ตายแล้วบวชูนยด้ตายแล้วเกิดอีกตามหลักของพระธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเพิ่นไปคนขวัาเพิ่นไปศึกษาเบื้องแล้วเพิ่นบอกว่าตายแล้วบวชูนตายแล้วเกิดอีกจริงเท่เกิดคืออย่างคือฟิน ญ, ญ่านคือใจใจใน้ำผ้าเกิดแต่ร่างกายของคนนี่ตายทุกคนเอาไปเผาไฟทุกคนแต่ว่าชวนเลืกๆความใจเนี่ย เออวะตายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเข้าคณะศรัทธาญาติโ ย, ยมลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมทุกขู่ทุกคนนะพระพุทธเจ้าเพิ่นเตือนเพิ่นเตือนผู้สูงอายุในข้างพุทธกาลในข้างพระพุทธเจ้ามีอุบาสกโยมคนหนุ่มไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพอไปฟังแล้วโอ้เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสเป็นลูกของช่างทองช่างขายทองไปพวกช่างตีทองผมขายทองผมในกรุงสาวัตถี ในผู้พอนี่มีแต่มวนม่วแต่ดูแล ก, กิจการล้านเจ้าของบอไปยันยันยานค้าขายขาดทุนมันลงไปดู แ, แตลตลาดเจ้าของแต่ลูกชายนี่พ่อคำคำมาลูกชายก็ไปละไปฟังเทศประพุทธเจ้าพอไปเรื่อฟังเลยก็เกิดความเคารพเหลื่อมใสนับถือโอ้ตามไม่จริงแท้ เทาทีไปหาแต่แต่เงินมันก็ระเบลมันต้องหาธรมเขับสู้จิตใจพร้อมหาเงินในแมนยูหาเงินในก็คือปัจจัยสีเครื่องนุ่งหม่มอาหารการบริโภคยาแก้โกครคไข้ไข้เจ็บที่อยู่อาศัยเลี้ยงร่างกายแต่ส่วนธรำมาเนี่ยคือส่วนเลี้ยงจิตใจเนี่ยมันต้องไปพร้อมกันลูกชายว่าแต่พอ่อถี่เตี้ยนี่ยโอไปวัด เอาจังไหนเนอะชวนมาไปไก็บบ อ, อ, อกูบอไปเอกไอ้สู้ไปซะบ้านในลูกไส้ก็จะเอาจังไนบมดได้ฟังเทศฟังธรรมบอกโพธเจ้าแล้วก็เลยนิมนต์พระโพธเจ้ามาฉันในบ้านบ้านเอ๋เด็กหนุ่มนิมนต์พระโพธเจ้ามาฉันในบ้านพระโต้งก็หลับพอเพิ่นเห็นมองเห็นอุปนิสัยของอตะกูลนี่เนี่ยคือสิเป็นสัมมาทิฏฐิได้เพิ่นก็นเลยมารับรับปิณฑบาต มากกับมาชันในบ้านบานนี้พ่อพระพทรุทธเจ้าก็พระสงฆ์มาฉันในบ้านเลยไอผู้พ่อเนี่เต่าแก่นี่ยทีบ่มากกับบ่ใด้นบ้านเนี่ยพรอพระพุทธเจ้ามันชันในบ้านเก็ต้องมาแล้วพ่อมาแล้วพระพุทธเจ้าเขฉันอาหารเช็ดแล้วพ่อเช็จแล้วก็ผ้ามันก็เขามาเพื่อจะรับพรอนเลเพื่อจะรับพรอพระพุทธองค์ก็บอกว่าดูก่อนพราม์ เปิ้วาน่ะผลภาพเหมือคืออุบาสกหรือเท่าแกอหละตัวก้อนเท่าแกหนึงสี่แหละออาเข้าได้เตรียมการไว้บอละ่ะได้คิดใบบอคิดล่วงคิดล่วงหนาไปบอเพื่อคิดมแต่จิคิดอยู่แต่คิดไปทั้งหนาบอมันอยู่อะไรเด้ปู่ยาตาย่ายพอแม่ขเขาเข้าไปใส่เม็ดหละ่ะไปใส่หละ่ะตายแล้วนะตายนะเข้าละ่ะ ทุกข้อเราตายตายขึ้มานี่ยทเหตุอย่างไรล่ะตายแระบบศูนย์เน๊ให้เตรียมสเสบียงไว้นะเฮาจะได้เดินทางต่อไปพ่ายภาคหนาเด้เฮเฮาจะได้เดินทางต่อไปพ่ายภาคหนามีสเสบียงเดินทางพ่อเนี่ยได้คิดไว้ในย่างสเสบียงเดินทางมีอะไรย่งเงินมีอะไรย่งกระเป๋ามีอะไรย่งอุปกรณ์การเดินทางมีอะไรย่งแล้วเขาจะเดินทางเขาจะไปพักใส ได้คิดไว้แล้อยังขั้นบมเคิดไว้นี่ยลาบากเดะพราพุทธเจ้าว่ะขั้นโมคิดไว้เนี่ยลำบากเดะมือนั้นมาถึงเข้าไปแล้วนั่นอะเพได้เตรียมอย่างไว้สักอย่างเงินในกระเป๋าก็มีกระเป๋าก็มีเครื่องอุปกรณ์เดินทางกระมีเสือ้อผ้ากระมีเพราะเหตุใด้พราะเขได้เตรียมการบ่าเคิดว่าษีไปแต่มันได้ไปไดเดอ ผู้ใ ด, ดบกคืดก็ได้ไปคืดก็ได้ไปบกคืดก็ได้ไปเพราะฉนั้นต้องคิดไว้ดีกว่าอพระพุทธเจ้าว่าเออเทาจะได้ออกจากภพนิยชาดีเท่าจะไปอยู่ใสได้คืดไฟอะไอยัง่งเออเทาจะได้เดินทางได้บอสจีอยู่นี่ตลอดไปได้ผ้ามพวนั้นกระสุดุ่งขึ้นกันนะว่าแถาแกในกรสุดุ้ง ไ, ได้ว่อเราไปโอ้แมนอิลีบอ ไ, ได้คืดไว้อหลีพิจิตรคืด่าจีอยู่ มิได้คืดแต่ทำมาคฆ่าขายซื่อๆไม่ได้คืดเพาอนาคตที่ไปใส่นี่แหละพราะพระเจ้าพ้นเตือนให้คืดบ่านพว่าตายแล้วบบสูนยนะออกจากล่างนี่ยคือวิญญาณขึ้นใจที่พวกเข้าเห็นผีๆนี่ผีเนี่ยคือวิญญาณขึ้นใจออกไปแต่พวกเข้าเป็นว่าเออเป็นยังนักมันทังบอกเห็นกันนะวิญญาณทั้งเยอะแยะเออวิญญาณเน่ะมันไข่ค่าแต่ละข้น่ะมันเป็นเออ มันเป็นเนี่ยคลองภัยของมันเอยคล้ายๆกับว่าคืนของไัยของมันมันไปคืนเอ็มเอ็มเอ็มเลยก็เป็นหกสิบล้านคนเลยเจ๊กเลยกับพี่หกสิบล้านคืนนะเสนาผู้ที่จะหมุนคืนไปเบิ่งผู้อื่นได้มันไม่น้อยโดยมากคืนของไผยคืนของมันอต่างคนต่างมีคืนของไัยของของเฮ้าแต่ละคน เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเพลินเป็นผู้ได้ตัดรูตด้วยว่ะปภเเนวาสานสุสติยานระลึกชาติผหหลังได้จุตูปปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพี่ยินหมุนคืนไปหาภัยได้หมัดเพลินหูมัดเลยวันไปอย่างพวกเข่าทั้งหมัดเนี่ยเก้าสิบกว่าคนเนี่ยเพิินจะหมุนคืนใช่ผู้นี้มัจะใส่มากเกิดออกจากนี่เราจะไปใส่เนี่ยพราะพรุทธเจ้าเพลินหูมัดเพราะาเพลินมีเครื่องมือเพลินมีญาณทัศนะไอ้ไพนั่น พวกเขานันขื่นไผ่ขื่นมันมันหาบุญหากันบ่าไรกันไปเพราะมัน่มีเครื่องมือที่จะหมุนหากันได้ต่ต่างข้นต่างมีวิทยุของไผของมันสื่อไฟนั้นขอให้พวกเขานะคณะชาญาติโงมนะเหตุจังไรระบัดนี่ก็ประกอบคุณงามความดีนะสั่งบุญสั่งกุศลจะตั้งอยู่ในความประมาทก่อนรับก่นอนกับวายพระ阿拉หังสวากาโตสุปฏิปตนปโนทำใจให้สบายสบายจากนั้นก็นั่งสมาธิคือนั่งคือพระประธานไะ จากนั่งกัดพบบริกรรมหลวงปู่มัน่นเปิ่นสอนาพุทธโธพุทธโธ้พุทธโธ้พุทธโททธโทก่อนรับก่อนนันเอออันนี้คือสร้างใจสร้างรักให้แก่ใจในเมื่อเขาพ่อวันาเนี่ยใจของพ่อพี่หลักพี่โคตรีเกณฑ์ล่ะจิตใจของข้ามันคงล่ะใจของข้าจะบ่าววีอ้างวางเงียบเงาเสาซึ่มแบบนี้จิตใจข้าจะมันคงเป็นผู้เชื่อมั่นต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในเจ้าของเจ้าของ ท้ามุ่งคุ้งามความดีนั่นแหละจะเป็นบุญเป็นกุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจแนวอื่นว่ามีที่พึงแนีพึงลูกพึงล้านพึงทรัพย์สมบัติ่เอ่อพึงเคื่อนพึงสั้นพึ่งไผบ่ใดท้งมัดในข้าวเชนั้นอัตติิอัตตโนนาโถนตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรชยาเออคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึงได้นอกจากเจ้าของจะเป็นที่พึงเจ้าของเพราันั้นขอให้พวกเข้าทุกคนนะถึงข้าวข้างนั่นแหละ เจ cook, ้าของเพิงเจ้าของแท้ๆบ้านนี่เพิงไผบัวได้เพิงหมอก็พ่อปนันหมอกหมอหมอก็ทีตายขึ้นกันเพิงไผกับบัวได้หมอก็เพิงหมอกับหมอก็ทีตายขึ้นกันเพิงพ่อเพิงแม่เพิงพี่เพิ่งน้องเพิงคูบาอาจารย์แม่มัดผู้ทีตายวัดมันออไปต้องเพิงเจ้าของเพิงเจ้าของให้อยัางขคือสร้างคุณงามความดีตั้งอยู่ในความบ่อประมาทเท่านั้นเออเอาตอนนี้ไปกรงพ่อใจพ่อนั่บานนี้นะาอารมณ์ทนานาใพ่อ